ปฏิบัติที่นี่ให้ถือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้เพราะว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นกระจกสะท้อนถึงธรรมชาติหรือลักษณะของใจเราซึ่งบางอย่างก็อาจจะเหมือนกับคนอื่นบางอย่างก็อาจจะแตกต่างจากคนอื่นความรู้สึก ที่หลายๆคนอาจจะมีร่วมกันหรือเหมือนกันในช่วงวันแรกๆที่มาปฏิบัติก็คือว่ามันจะมีอารมณ์ความรู้สึกหลายอย่างปะปนกันคล้ายๆว่าจิตนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็ชีวิตแบบใหม่ที่นี่โดยเพราะเมื่อเราซึ่งอาจจะเคยอยู่ในเมือง แล้วก็มีงานมีการทำวันๆก็อาแทบจะไม่ได้อยู่กับตัวเองมีเรื่องที่ต้องรับรู้ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนและสิ่งต่างๆมากมายมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจพอมาอยู่อย่างนี้อาจจะรู้สึกเหมือนกับมันโลง่งมันโปร่งแต่บางทีก็อาจจะรู้สึกเคว้งคว้างแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนหรือเบือ่อหรือซึม อาการเหล่านี้เกิดขึ้นปะปนกันอันนี้ถ้าจะพูดไปแล้วคือมันเป็นความพยายามที่ปรับตัวของจิตใจเราโดยเพราะในสภาวะที่จิตของเราเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องรับรู้น้อยในชีวิตประจาวันของเราจิตของเรานี่รับรู้สิ่งต่างๆมากมายเรียกว่ามีผัทสะเกิดขึ้น แทบจะทุกวินาทีภาษาคือการที่ตาได้เห็นรูปได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสและภาษาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีใหม่ๆเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาเลยเพราะการใช้ชีวิตในเมืองซึ่งมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งจิตเราเนี่ยคุ้นชิน กับสภาพเหล่านี้มันไม่ใช่แค่คุ้นจินเฉยๆแต่มันติดด้วยติดในภัะตะที่มากระทบอันนี้พอมาอยู่ที่นี่สิ่งต่างๆที่มากระทบกับทวารทั้งหกของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันน้อยลงแล้วก็มักจะเหมือนๆกันซ้ำๆกันเราก็จะเริ่มรู้สึก เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าใจของเราเนี่ยนะมันเสพติดกับผัสษะอาการคนเวลาเสพติดเนี่ยและพอไม่ได้เสพสิ่งที่ตัวเองเคยติดเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับอาการเรียกว่าลงแดงคนที่ติดบุหรี่คนที่ติดเหล้าติดยาพอไม่ได้เสพก็จะมีอาการ ลงแดงนะกระสับกระสายทุรนทุรายเดี๋ยวงัวงาหานอนเดี๋ยวอยากจะทำโน่นทำนี่อยู่นิ่งไม่ได้กระวนกระวายอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือเปล่าในช่วงวันสองวันที่มาอยู่นี่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราเสพติดกับภาษาที่มากระทบเสพติดกับรูกรกินเซนสัมผัสพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันได้เสพน้อยลง รวมทั้งมีเรื่องให้คิดน้อยลงด้วยโทรทัศน์ก็ไม่ได้ดูวิทยุก็ไม่ได้ฟังนิ้วเสือพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านงานการก็แทบจะไม่ได้ทําไม่มีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจมากจิตของเราก็จะเกิดอาการมันก็ว่าลงแดงขึ้นมาแล้วเป็นอาการที่อัตมาเรียกว่าเป็นการลงแดงทางพัฒนาโดยเพราะคนที่ใช้ชีวิตที่เร่งรีบเร่งรัด มีเรื่องที่ต้องรับรู้ต้องตัดสินใจต้องเสร็จต้องสัมผัสมากมายพอมาอยู่ในป่ายนีย่มันก็จะกระสับกระส่ายแล้วก็จะพยายามที่จะหาเรื่องคิดเพราะว่าความคิดนั้นมันก็เป็นอาหารเป็นสิ่งเสพติดของจิตมันไม่ใช่แค่อาหารเฉยๆเป็นการเป็นสิ่งเสพติดที่ว่าถ้าไม่มีเรื่องคิดแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องหาเรื่องคิดซึ่งที่จริงก็คือการพยายามที่จะหนีห่างจากตัวเองนั่นเอง คนเรานี่ชอบหนีจากตัวเองก็เลยหาเรื่องคิดเพื่อที่จะดึงจิตออกไปจากตัวเองแต่บางทีก็ง่วงเหงาหานอนบางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็เครียดที่อาการเหล่านี้เท่าไลๆวันนี้วอนเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นมากแล้วก็สลับกันไปเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวนั่งเลสสงสัย เดี๋ยวหมุดหิดลำคาญใจอันนี้แหละมันเป็นอาการเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นอาการลงแดงทางผัสสะบางคนนี่ได้คุ้นเคยกับเสียงดังๆเช่นบ้านอาจจะอยู่ติดถนนพอมาอยู่ที่นี่มันเงียบเงียบจนทั่งหูอื้อไปเลยรู้สึกแปลกบางทีก็นอนไม่หลับอันนี้ก็ค่อยเราลึกว่ามันเป็นอาการธรรมดา จิตมันปริยตแต่ว่าเราก็อย่าไปพยายามบังคับควบคุมให้มันสงบหรือให้มันเป็นปกติให้หลอนยลนี่คือความเป็นจริงเป็นความเป็นจริงของจิตเราซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้เพราะว่าเขาถูกหลอหลอมหรือว่าถูกเลี้ยงดูมาอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราไปก็คือการปฏิบัติ ให้เราลึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับใจถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นดีในแง่ที่ว่าเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ใจของเราไม่ว่าจะเป็นความเครียด่าจะเป็นความหมงุดหงิดไม่ใชเป็นความง่งงาหาอนอนความซึมอย่าไปพยายามที่จะไปปักสายไล่ส่งหรือว่ากดข่มมัน แต่ให้ถือเป็นสิ่งที่ให้สติได right ้รับรู้รู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่ว่าจะรู้อารมณ์ชนิดใดก็ตามหรือความคิดใดก็ตามคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ตามอารมณ์ที่ไม่เป็นกุศลก็ตามก็ขอเพียงแต่รู้อย่างเดียวให้จิตนิตั้งอยู่บนฐานรู้เอาฐานรู้นี่เป็นตัวตั้งรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียว ก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะเพราะว่าใจมันก็จะพยายามที่จะเข้าไปบังคับควบคุมให้มันเป็นไปอย่างที่เราคุ้นเคยอย่างที่เราปรารถนาโดยเพราะพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติก็จะมีการตั้งมาตรฐานของจิตเอาไว้สูงคือปรารถนาความสงบหรือว่าปรารถนาให้จิตนี้มันรู้เท่าทัน ไม่มีอาการฟุ้งซ่านไม่เพอไม่ปรุงไปตามความฟุ้งซ่านแต่พอจิตมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็จะรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะเกิดความหงุดหงิดําคาญไอความลาคาญนี้ก็เกิดขึ้นในสารพัดกับอารมณ์กับสิ่งที่ทําให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นเช่นความร้อนเช่นเสียงที่มารบกวน หรือแม้กระทั่งกับตัวเราเองว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเผลอปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านได้และทีนี้แหละมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเผลอแบบหลายซับหลายซ้อนเผลอสติแบบหลายซับหลายซ้อนทีแรกก็เผลอคิดเผลอปรุงไปกับความคิดจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นลาวยาวเหยียด แล้วพอรู้ตัวขึ้นมาก็เกิดไม่พอใจเกิดงุดหงิดขึ้นมางุนงิดเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ทันในความงุนงิดนั้นก็เผลอปล่อยใจเข้าไปถลำเข้าไปในความงุนงิดเข้าไปอีกแล้วพอรู้ขึ้นมาได้ก็โมโหตัวว่าทำไมถึงงุนงิดก็เกิดโกรธขึ้นมาแทนที่จะรู้ความโกรธก็ยังหลุดเข้าไปในความโกรธอีกโดยไปกันใหญ่เลยมันหลายซับหลายซ้อน อาจจะสองซอนสามซอนหรือ4ี่ซอนเข้าไปถ้าบางคนนี่โกรธตัวเองมากในสุดก็ถึงกับเอารองเท้าผ้าตัวตัวเองหรือเอาหัวโขกเสา ว, ว่าทำามคิดมากเหลือเกินนี่ซ้อนที่4ี่เข้าไปอีกคือเผลอเผลอทําร้ายตัวเองทีแรกเผลอคิดตอลังเผลอหงุดหงิดที่หลังตอนต่อมาก็เผลอโกรธตัวเองแล้วก็เผลอทํำลายตัวเอง4ซ้อนเข้าไปใหญ่ นั่นวนี้ก็มันมีพื้นฐาน ม, มาจากความอยากจะควบคุมจิตหรือว่าความอยากดีติดดีนะคือตัณหาโดยเพราะเรามาที่นี่อุตส่าห์เสียเวลามาก็มีความคาดหวังหวังผลสูงเพราะว่าการที่จะเปลีกตัวเวลาเปลีกเวลามาอย่างนี้นะมันก็ต้องถือว่าเป็นการลงทุนนะก็อยากจะให้มันได้ผลคุ้มค่านะต้องระวังไอ้คว่าคุ้ม เพราะว่าคุ้มความคุ้มค่าที่เราคิดกับความเป็นจริงหรือสิ่งที่มันน่าจะเป็นตามกฎธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันและที่จริงเนี่ยการปฏิบัติของเรามันอาจจะมีความก้าวหน้าอยู่แต่ว่าเราไปมองผิดจุดก็เลยมองไม่เห็นเพราะเวลาเราตั้งความหวังเราก็ตั้งความหวังเอาไว้สวย แล้วก็อยากได้ผลมันเป็นไปตามที่หวังแต่ผลนั่นมันอาจจะเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเช่นเราหวังว่าจะเห็นผลแอปเปิ้ลมันเกิดขึ้นจากต้นแต่ว่าพอไม่เห็นก็รู้สึกผิดหวงังทั้งที่จริงๆแล้วมันมีผลเกิดขึ้นแต่ผลมันไม่ใช่แอปเปิ้ลผลอาจจะเป็นมะม่วงหรือส้ม แต่เนื่องจากใจเราจดจ่ออยู่ว่ามันต้องออกมาเป็นแอปเปิลออกมาเป็นนั p เปิลเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่มีความก้าวหน้าแล้วคนที่ปฏิบัติคาดหวังว่าต้องให้ได้สติอย่างโน้นสติอย่างนี้แต่สติที่เราวาดหวังเอาไว้เนี่ยกับสติที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะคนละอันกันก็ได้สติเกิดขึ้นแต่มองไม่เห็นเพราะไปคาดหวังมันอีกแบบหนึ่งต้องอย่าไปตกหรือว่าติดในกับดักอย่างนั้น ทางที่ดีก็ระวางความคาดหวังซะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงให้พร้อมน้อมรับกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจของเราเพราะถ้ามองให้ดีมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นมีสติรู้ความหงุดหงิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ช่วยสติเราเจริญเติบโตขึ้นไม่ใช่ว่าสติเราจะเติบโตก็ต่อเมื่อ มีความสงบเกิดขึ้นสงบแต่ไม่มีสติก็เป็นไปได้เหมือนกันในขณะที่ถ้าเราเครียดเราหงุดหงิดแต่ว่าพอเรารู้ในอาการนั้นมันก็ทำให้สติเราจเจริญงอกงามขึ้นได้เพราะว่าสตินั้นอาหารงโาคือการรู้รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่จําแนกแยกแยะว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดี การปฏิบัติธรรมว่าการเจริญสตินี่เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีประโยชน์มากเพราะแม้แต่ขณะที่เราโกรธก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ขณะที่เราหงุดหงิดก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราเห็นความโกรธเราเห็นความหงุดหงิดนั้นหรือขณะที่เราเครียดเราเห็นความเครียดอันนั้นก็ถือว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วแล้วมองให้ดีความเครียดนี่มันก็เป็นสิ่งเตือนใจเราะ เป็นสิ่งบ่งบอกเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังวางจิตไว้ก็คือว่าเราจะตั้งใจมากไปจะต้องคิดว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์เท่านั้ในแง่ที่เป็นอุปกรณ์ให้สติจะเลยนอกงามเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นที่จิตของเราและขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องเตือนเราว่าเราวางจิตไว้ผิดแล้วต้องหย่อนต้องหย่อนลงมากว่านี้ เหมือนกับความเจ็บป่วยเนี่ยถ้ามองให้เป็นก็เห็นประโยชน์ความเจ็บป่วยก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่ง mm hmm. เช่นอาจจะนอนน้อยไปพักผ่อนน้อยไปกินอาหารไม่ถูกหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกหลักสุขอนามัยมันคือสัญญาณที่บอกว่ามีความพลาดต้องแก้ไขถ้าเอาแต่ทุกข์เอาแต่ คร่ำครวนเมื่อเจ็บป่วยอันนี้ถือว่าขาดบุญแต่ถ้าเรารู้ว่าเขากำลังบอกว่าต้องปรับตัวปรับใจเสียใหม่อันนี้เราก็จะได้ประโยชน์นนเรียกว่าได้กำไรนี่ค่อเราวางจิตให้ฉลาดฉลาดในเรื่องของใจเราถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องยาก แล้วก็ลองสังเกตดูนะว่าความคิดของเรานี่มันมันเก่งแค่ไหนในการที่จะหลอกล่อเราถือเป็นเวทีที่จะได้เห็นเลยว่าจิตของเราเนี่มันเก่งมากในการล่อหลอกให้เราหาเรื่องคิดถ้าคิดเรื่องโน้นเรารู้ทันมันก็หันมาคิดหรือหันมาล่อให้เราคิดเรื่องนี้เราก็เผลอไปเป็นวักเป็นเวนพอรู้ทันมันก็ ไปโผอีกที่หนึ่งแล้วก็หลอกรอให้เราคิดอีกเรื่องหนึ่งเช่นอาจจะคิดเรื่องธรรมะคิดมาวิเคราะห์ธรรมะกันดีกว่าอย่าเพิ่งปฏิบัติเลยที่แรกแรกมันอาจจะคิดเรื่องที่ทำงานคิดเรื่องเพื่อนคิดเรื่องแฟนคิดเรื่องที่บ้านเรื่องลูกเรื่องหลานพอเรารู้ทันมันก็จะหลอกเราไปคิดเรื่องที่แนบที่เนียนมากขึ้นจงทั่ง หลอกล่อให้เราไปขบคิดเรื่องธรรมะหรือบางทีก็หลอกล่อให้เราคิดว่าเออเสร็จจากนี้แล้วเราจะไปชักชวนเพื่อนให้มาปฏิบัติธรรมได้ยางไรหรือว่าเราจะคิดโครงการอะไรดีที่จะส่งเสริมธรรมะในสถานที่ทำงานของเราถ้าไม่เท่าธรรมมันก็เผลอตกเข้าไปในกับดักอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ให้รู้ว่ามันฉลาดในการหาเรื่องคิด ถ้าไม่คิดเรื่องอนาคตมันก็ เ, เรื่องอดีตมันคิดหรือพอไม่มีอะไรจะคิดก็เอาเรื่องเก่าๆสมัยเรายังเป็นเด็กใ้เรื่องเก่าๆมันจะโผล่ขึ้นมาเหมือนกับฉายหนังย้อนอดีตพอปฏิบัติไปหลายวันหลายคนก็จะเจอคล้ายๆว่าจิตนี้มันสํำลอกเอาของเก่าออกมาวัวเนี่ยถ้ามันไม่ได้กินของใหม่ไม่ได้กินจ้าใหม่ มันก็จะเอาของเก่าสำรองออกมาทังที่เราเรียกว่าเคี้ยวเอื้องเนี่ยหน้าเจนี่มันไม่มีข้อมูลใหม่ๆรับเข้ามาเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์ไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มันก็จะสำรองเอาเรื่องราวเก่าๆออกมาคิดเพราะความคิดมันเป็นอาหารของใจอันหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วมันเสพติดมันเสพติดความคิดครานีก็จะ ออกมาเป็นฉากๆเลยก็ได้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นเหมือนกับกระจกนะที่สะท้อนธรรมชาติของใจเราเราก็รับรู้ไว้รับรู้ไวเ้เฉยๆไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพราะว่าหน้าที่ของเราคือการมีสติรู้ในกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกห ม, หมายก็เอากายเป็นฐานก่อนใจจะคิดอะไรก็ยังไม่ต้องไปสนใจ พอถ้าไปสนใจเมื่อไหร่ก็เสร็จมันเมื่อนั้นมันก็ติดหนับเลยนะเพราะเราจริงลอยมันคิดจะไปจู่จ้องหรือจู่จับให้ความคิดอยู่แล้วอย่างที่ว่ามาตอนเช้าคือมันไปยึดมันมันยึดง่ายติดง่ายมันเหมือนกาวที่ติดแน่นเลยพอไปแตะมันเข้าติดเลยเราก็ยังไม่ต้องสนใจมากเอากายนี้เป็นฐานจะคิดเรื่องอะไรก็ไม่ต้องสนใจจะคิดไปไกลแค่ไหนถ้ารู้ก็กลับมา ไม่ต้องย้อนไปว่าย้อนหรือสาวความที่ว่าไปคิดเรื่องอะไรบ้างและใจที่รู้หรือว่ารู้ในล่วนกายเนี่ยรู้รู้จนกระทั่งไวไม่เผลอง่ายก็จะมีคุณภาพใหม่ที่จะรู้เรื่องใจได้ดีขึ้ น, ไ ด, ดนได้ไวขึ้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติของใจเราตอนนี้เราก็คอยถือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจ ของเรานี่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้รู้จักตัวละเองมากขึ้นอย่าเพิ่งไปจำแนกแยกแยะว่าอย่างนี้ดีฉันเอาอย่างนี้ไม่ดีฉันไม่เอาทุกอย่างนี่มันเป็นสิ่งที่สามารถจะทำให้เราได้รู้รู้แต่ละเรื่องรู้แต่ละอย่างนี่ก็รู้แต่ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออ ก, กุศลไม่ว่าจะคิดดีจะคิดไม่ดี